ที่ผมก็ได้มีฟังธรรมะของพระอาจารย์มาเีร้อแล้วนะคะที่พระอาจารย์ได้ อ, อบญญายธรรมะส่วนหนึ่งที่พราจารย์พูดถึงบว่าในการที่เราเนี่ยไปบูชาพระพุทธรูพระพทธรูปก็ดีหรือพระเญมาสาลีกธาก็ดีด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเนี่ยพระอาจารย์ถามว่าเป็นการบูชาด้วยศีลหรือสมาธิเอ่อดวยดวทานหรือศีลหรือสมาธิ อาจารย์เคยพูดในในใ น, ในบรรยายในจุดนี้ครัอาจารย์หนูก็คิดว่าตรงนี้มันจะเชื่อมต่อกับการที่คนทีเพื่อศัสพักษษชวลเนี่ยเราไปบูชาพระธาตุเนี่ยเราก็ก็มีแบบดับไม้อหอมเดินสักการะบูชาแต่ในจิตจริงๆเราไม่รู้จุด<อ>ประสงค์จริงๆว่าบูชาเพื่ออะไรเ<อ>นี่ยค่ะหนูคิดว่าถ้าอย่างน้อยพวกเราเนี่ยได้ได้ระรึกก่อนได้ทราบก่อนมันก็จะเป็น ประโยชน์ในทางในการทำหนังสือด้วยไหมก็ดีก็คือประเด็นมันอย่างนี้ว่าที่โยมองุ่นถามมาว่าการที่พุทธบริษัทไปบูชาพระาธาตุบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการนําดอกไม้ของหอมไปบูชาเนี่ยมันจะจัดเป็นทานศีลภาวนาได้อย่างไรใช่ไหมก็ต้องดูว่าวัตถุสิ่งของผ้าดอกไม้ของหอมฉัดร่ม หรือของใช้อะไรทั้งหลายก็แล้วแต่ที่เรานําไปบูชาพระธาตุพระบรมสารีริกธาตุบูชาพระรูปทั้งหลายเนี่ยเป็นต้นเลยเนี่ยโดยมากเราไม่ได้ถูกสอนกันว่าจริงๆแล้ววัตถุเหล่านี้เป็นวัตถุทานอันนี้เขาเรียกวัตถุทานจิตที่คิดจะบูชาจิตที่คิดจะให้จิตที่คิดจะสละอันนั้นเป็นเจดนาทานใช่ไหมฉะนั้นในขณะที่เราเดินไปเรามีจิตมุ่งมั่นถือดอกไม้ของหอมถือเสื้อถือผ้า ผ้าหม่มถือของใช้ทั้งหลายนี้เพื่อจะไปบูชากายกรรมที่เคลื่อนไหวไปมีจิตคิดจะนําไปถวายพระเจ้าเป็นต้นเนี่ยอันนี้เป็นกายกรรมที่เป็นทานกุศลเห็นไหมกายกรรมพฤติกรรมทางกายแบเป็นทานกุศลเลยแต่จะเป็นทานกุศลหรือไม่อยู่ที่เจตจานงความจงใจตั้งใจที่จะถือวัตถุชิ้นเนี้ยสิ่งของเหล่านี้เป็นต้นมากมายหรือไม่มากมายก็แล้วแต่น้อมไปถวายเป็นพู้ถบูชาธทมบูชาสังฆบูชาเห็นไหมเนี่ยแต่ถ้าถือไปเฉยๆเอาไปวางเฉยๆโดยไม่มีเจตจํานงอย่างนั้นน่ย พฤติกรรมทางกายเหล่านั้นไม่เรียกว่ากายกรรมไม่เรียกว่าทานกุศลแต่ถ้าไปด้วยความมุ่งมั่นด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจอย่างนี้ย <c oughs> มุ่งสลับถวายอย่างนี้เป็นกายกรรมที่เป็นทานกุศลดันดีเห็นไหมทั้งภายในและภายนอกทีนี้ไม่ใช่แค่นั้นในขณะเดียวกันวาจาที่เป่งกล่าวออกไปเชิญชวนเปล่งกล่าวท่านทั้งหลาย เราได้มีผ้ามีของหอมมีดอกไม้เพื่อจะไปถวายเป็นพู้ถวบชาแล้วพวกเราทั้งหลายจงร่วมแรงร่วมใจกันหรือพละนาเป็นบุญญาลาภของข้าพเจ้าแล้วเนาะข้าพเจ้าได้มานําเครื่องส ก, การ ะ, ะเหล่านี้ถวายบูชาพระจริยาคุณที่บําเพ็ญมาอย่างยาวนานได้บูชาพระสลีละคุณที่มีความงดงามประดับไปด้วยมหมาปุริสราขนาดสาประการเป็นต้น ได้บูชาพระพุทธคุณมีพระสัพพัญญุตญาณของพรสัมมาสามัมพุทธเจ้าด้วยเครื่องส ก, การ่าเหล่านี้แล้วเนาะอย่างนี้วัจีกรรมเป็นทานกุศลเห็น ไ, ไหมท้งกายกรรมวจีกรรมทีนี้มนโนกรรมละ่ะไปยืนอยู่กับที่น้อมวางของเบ็เสร็จปุ๊บจะยืนก็ได้นั่งก็ได้จิตสงบและลึกว่าเป็นบุญญร า, าบ ของเราแท้ที่เราเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าได้มาถวายเครื่องสักการะถวายผ้าถวายของเครื่องนุ่งหม่มถวายอาหารถวายยาถวายดอกไม้ของหอมแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมบาลีสงฆ์ใจที่คิดนอบน้อมถวายสละอย่างนั้นมนโนกรรมเป็นทานกุศลเห็น ไ, ไหมกายกรรมเป็นทานกุศลวิจีกรรมเป็นทานกุศล ม, นนศมนโนกรรม กายกรรมจีกรรมโนกรรมเป็นทานกุศลได้ด้วยอาการแบบนี้ทีนี้ถ้าพัฒนาต่อเป็นศีลกุศลทำยังไงกายกรรมที่เราเดินถือดอกไม้ทูบเทียนทั้งหลายของหอมทั้งหลายเดินไปบูชาไปเวียนประทักศิลมนศิการถึงอริยประเพณีของหม่อริยชนทั้งหลายนี้เป็นวัดปฏิบัติเป็นประเพณี เป็นเพเป็นประเพณีเป็นข้อปฏิบัติของหมู่ชนที่จเจริญแล้วที่มาเฝ้าพระพุทธเจ้ามาบูชาพระพุทธเจ้ามาทําตามแบบอย่างที่ดีเพื่อพัฒนาศักยภาพชีวิตของตนเองด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจเรามาทํากายกรรมในการเดินประทักษิณเหล่านี้ด้วยความเรียบร้อยดีงามระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าที่เป็นต้นเราได้ทําตามวัดปฏิบัติตามประเพณีตามสิ่งที่ดีงามที่หมู่อริยชนทั้งหลายได้ทํามาการ คิดอย่างนี้แล้วก็เดินบูชาพระุทธเจ้าอย่างนี้คิดถึงอริยะประเพณีวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามก็จะพัฒนาศักยาภาพมนุษย์เปสูตรศีลสมาธิปัญญายิ่งยิ่งขึ้นไปเข้าใจอย่างนี้อย่างถูกต้องโดยไม่หลงไม่งงง่ายอย่างนี้กายกรรมเป็นศีลเป็นศีล เ, เลยทวาจีกรรมว่าเชิญชวนท่านทั้งหลายเชิญท่านทั้งหลายมาทําอริยะประเพณีตามวัดปฏิบัติที่หมูอริยชนทั้งหลายได้ประพูดปฏิบัติมา ภาษารีบุดผ้านนเป็นต้นตลอดทั้งหมู่พระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายก็มีการมาประทักษิศีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชาพระเจ้าตอนที่พระเจ้ายังทรงพระชนอยู่แม้ชั้นใดเราท่านทั้งหลายก็ไม่ละเลยวัดปฏิบัติและข้อปฏิบัติประเพณีอันดีงามเหล่านี้เพื่อจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราให้เข้าถึงคุณธรรมที่สูงสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปได้วยความรู้ความเข้าใจจะได้เป็นปามโมดปีติปสิทธิสุขสมาธิแก่หมู่เราท่านทั้งหลายเชิญเชิญรับพูจาลักในนี้วจีกรรมเป็นศีลกุศล ไม่ทำกายวาจาให้เคลื่อนไหวยืนสงบนิ่งอยู่คิดถึงว่าเราได้อนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามประพฤติปฏิบัติตามอริยะประเพณีที่ดีงามเพื่อความปราโมทปีติภัสสติสุขสมาธิเพื่อปัญญาอันยิ่งในการที่จะรู้ทรตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยเนอเราไม่ทำประเพณีนี้ให้ขาดตกบกพร่องเลยนี้มนโนกรรมเป็นศีนลกุศล กายกรรมเป็นศีลกุศลวิจีกรรมเป็นศีลกุศลมโนโกรรมเป็นศีลกุศลเข้าใจไงทานศีลอ่ะต่อไปภาวนาภาวนาเป็นยังไงถือดอกไม้ของหอมผ้าเดินเข้าหาพระเจดีพรพุทธเจ้าละลึกพระพุทธเจ้าเป็นพผ้าหันหัเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัสรุชอบได้ดยพระองค์เองพระพุทธเจ้าถึงพร้อมในวิชา8จริญนาสิทธพระพุทธเจ้าเสด็จไปดีแล้วเป็นผู้รู้โลกอย่างยิ่ง เป็นผู้ตัสรุริยสัตย์จะทั้งสประการข้าพระเจ้าได้มาระลึกถึงคุณของพระเจ้าด้วยการกระทำอย่างนี้แล้วเนอะกายกรรมที่เราเคลื่อนไหวไปแล้วก็ระลึกถึงคุณด้วยนี่กายกรรมเป็นภาวนากุศลไม่ใช่แค่นั้นท่องอิติปิโสภควา阿拉หังสัมมาสามัมลุความหมายเข้าใจลึกซึ้งในคุณของพระเจ้าเป็นพระอรหันต์ยังไงตัศรุลิยสัตส่ยังไงเป็นต้นสาธยา เป็นต้นลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าจนใจเกิดปราโมทิทิวจีกรรมเป็นภาวนากุศลยืนสงบนั่งและลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้ามาทั้งจริยาคุณศลีและคนพระพุทธคุณและลึกเห็นคุณของพระเจ้าเราก็จะฝึกตนเองเข้าถึงคุณของพระพุทธเจ้าอย่างนั้นมีมโนกรรมเป็นภาวนากุศลนี่นะเป็นสมถะภาวนาเนะจะพัฒนาภาวนากุศลต่อ เห็นความเสื่อมไปสิ้นไปขององค์พระเจดีขององค์พุทธโลกเห็นความเสื่อมไปสิ้นไปของวัตถุที่ไปเข้าถวายสการละบูชาเห็นความเสื่อมไปสิ้นไปของสรรพสิ่งทั้งหลายเห็นความเสื่อมไปสิ้นไปของกระแสชีวิตอัตภาพของหมู่ที่เรามาบูชาทั้งหลายเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นน่าตานั่นแหละทั้งกายกรรมวิธีกรรมโนกรรมเป็นภาวนากุศลเป็นวิปัสสนาภาวนาได้จริงๆพอชัดเจนไหมก็เป็นไปลักษณะอย่านี้ ถ้าอย่างนี้เห็นไหมว่าเราสามารถที่จะเขียนและเชื่อมโยงเรื่องเหล่านี้ได้ทั้งหมดให้คนได้เห็นได้เข้าใจว่าเป็นศีลทานยังไงเป็นศีลยังไงเป็นภาวนาอย่างไรรายละเอียดเป็นแบบนี้อ้าวมีใครจะถามอะไรงั <laughs> ้นไม่ยอมหยุดทีแล้วก็จะอัดต่อ <laughs> ได้เข้าเป็นอยู่แล้วอ๋ออ๋อได้ได้ได้ย่ามย่ามเอาเลยรีบถามเลยเธอจะไดไยิ้มไม่หนุ่ม เอาวันนี้เตะเตรียมข้อมูลคำถามมาเตร็มที่เลยเนาะ